จะกล่าวให้ทัพบริบูรณ์นี่เราจะต้องกล่าวว่าเบย์ซมาอีเนี่ยจจากกาได้กจัดการป้องกันได้เป๊ะเลย ว, ไวแล้วเป็นอย่าดีกต่ครั้งก่อนนั่นระบาดนี่มันคงเป็นคผมไปมาไม่ได้อะถูกาหมเนี่ยก็กล่าวคุเบยก์ก้ว่ากองทัพมีเพีย ง, บบน ง, นนนงคนกกเดียว ม, มาทางตะบนตันถอมก็ขับเข็นมาม้ได้ยึงยกกองทัพก็หลบมาเดินไปมาทางตะบนกีสารเนี่ย หวังจะแยกไพยพลมาตามทางลับเขาจ็จะแต่งฐานออกไปตั้งปิดทางลับทั้งปวงเช่สิ่งอย่าให้ข้าตึดเข้ามาได้วิถีาช้าอยู่ประมาณสักสองเดือนแล้วกองทัพผมบึงก็จะขัดถงข้าวปลาอาหารหลงสิ่งสเสบียงอาหารเข้าก็เห็นว่าจะต้องเลือกท้าปล่อยกลับไปเอง ควายเราได้ปีก็จะยกฐันโจมปีเอาเห็นจะจับตัวขนวิ่งได้ดุไงไามขอให้ผมถือไปกำชับโจกินอย่าให้ยกฐานล่วงเข้าไปจนดับยังมีท่วมทีชั้งเคืองขน่งให้แน่นอนก่อนให้ระมัดระวังกลมของผนเิน่งซึ่งจะแต่งล่อลวงนั้นได้จงดีมีสมาอีครับผู้ีด มาอีกจะใช้วิธีเอาชนะสุดแบบที่ปั่นยาเด็ดแท้คือไม่เจ็สังหารไปรบห้ำหันข่าวปันกันให้ล้มปลายลงไปแล้วใน้ใชชนะไม่ใช่อย่างนั้นีจะใช้วิธีการก็คล้ายๆหกหลงหรือไม่แหะมีเทคีปิดกันไม่มีการติดต่อไปมาถึงกันได้ในเมื่อกะเบียนอาหารส่งไปมาไม่ได้เข่าปกกองทัพมันเดินด้วยท้องนะคือว่าต้องมีทเบียอาหาเพียงพอ คือคนนี่มันต้องกินนีเมืม่อคนอยู่รวมกันมากๆแล้วไม่มีกินเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้อะเจ้าเกย์ยอยเห็นชอบแบนแผนการฮูมาอีอันนี้ี่เด็กก็แต่งถือตามทำฮูมาอีนี่แหละคือไปยับยังเกกินนะว่าอะกระทำการบันด า, นาหมอให้แกหันข่ถือถือไปแก้งเกจกินและฮูมาีก็เริ่มเนินการละ โดยฟังแต่คนถึงสือนี่ดี่วท่งอย่าบอกแกโจกินนะว่าเรากราบถือเล้าแกย้อยให้มีหนัสือกำกับมาชถวนี้อย่าบอกถ้าโจกินรู้โจกินจะน้อยใจเราสุมาที่ฟังตำชาไปกร น, นีหันไข่ผู้ถืนังสือนั้นรับคำแล้วก็กำมั่นาราบไปครั้นไปถึงข่ายโจกิน หาเอาหนังสือขอรับฟั่งนั้นออกโฉงให้แกโจกินโจกิจนแกไม่ขอรับฟั่งแล้วก็ปรึกษากับโกชยและซุนเลเมื่อข้อรับสั่งทั้นี้เนี่ยแผนประการใดเนี่ยทึงได้รับฟั่งมาว่าอย่ายกทัพล่วงต่อไปอย่ายกฐานล่วงไปขยับยั้งดูช่วงกีดขั้นเชิงของเบ่งก่นอนให้ระมัดระวังคนรุมาบของเบ่งไม่เราทําอันใดเลยอย่างเนี้ย มันจะขันายกันโกช่ยก็จิงว่าก็แต่จะว่าข้อรับสั่งทัางเนี่ยเห็นจะเป็นความคิดของสูมาอีให้วีนังสือออกมาจะนหม้ยซูมาอีเนี่ยเห็นว่าเราทั้งปวงจะทำการด้วยไทยชนะิมะสูมาอีนะ่ะมี ห้ามเราแกั น, นี้โกชุยเม่มีความคิดอย่างนี้โจวิจนไม่ฟังกูจิงวาพี่ทำว่ามาเนี่ยเราเห็นด้วยถ้าเราทำตามข้อรับสั่งนี้แม้ว่ากองทัพนึงเสฉวนนี่ถอยไปนั้นนะ่ะจะทำประการใดโกชุวยกูจิงวะถ้ากระนั้นนะ่ะขอให้ท่านใครคนไปบอกแกองสงทารอีก ให้ยกทหารเข้าตีรอมตัดเสีเยงของเว่นเจได้าถาน ท, ทั้งพวงขัดส ม, สมด้วเสบียงหันบุแล้วก็จะเริมไปเองโกชูว่าอย่างนี้คือว่าไม่ยับยังเฉยเฉยไม่ยับยังดูโทกทีฉันเชิงตามรับสารละอ่ออานอีประการนี่แค่ว่าสุมาลีมีผิดฉากไปแล้วจะชิงความดีความชอบไปแล้วก็คิดดำเนินการกันต่อไปนี้ โกช่วยวางแผนอย่างนี้สุนเรีก็จริงวะที่แผนคิดจนเนียดีนะถ้าละไรคุไมด้อยู่ขัดฝนทะบียอาหารเข้าดังนั้นแล้วเนี่ยเข้าไปเจ้าเจ้าบินประสิวสุพรรณนันท์บันทุกปูโยงให้จุ่มมากแล้วจะเอาหญ้าและฟางเนียมาอกเสียจะคุมอ่าเข็มกวนไปเนี่ยทำบางกระหนุ่มหาไปส่งทะเบียนทะเบียนกป่า แล้วจะแต่ให้คนสอบแมไปแจ้งเอกขงเบ้งขงเนนะขบ้งนัดผสะเบียนอยู่ถ้าได้แก่้งตามอุบายว่าเราผมสะเบียไปส่งท่านเนี่ยจะต้องให้ทหารมาโจมปีเอาแล้วเราก็ทิ้งสะเบีนทั้งกลิ่นทหารขเบงก็จะพุ่งกุมกันเข้าทิงงระเบียนซึ่งมันหาดีสะเบียนไหมจะมีกต่ดินประสิวุปันนราธั เป็นดูทั้งเสบียงนั่นและเราก็จะเก่าทันเพลงเด็ยิงเข้าไปให้เพลนเป็ดขึ้นบินปรสืสอบวันฐา ท, ทั้งหลายเ่านั้นก็จะระเบิดสนั่งวุไนวายเผานังฐานขนเบ่งซีแลวตีจะยกออกโจมตีกระนำซ้ำตัวเด็กแตกไปสิฟุมเลวาแนแผนนั่อย่นอีกโจกินก็ยินดีฟั่งฟเลให้เระทำตามรูปไม้นี่แหละ แล้วให้คนไปบอกแกอองสมขุนฐานเสือให้ยกฐานลอกไปตีตักเบียงของเบ่งแล้วให้โกชุยยกไปตั้งรักษาฐานซึ่งจะมาแต่เกเตงตีโกนให้ไปรักษาฐานก็ไว้เพื่อมียกองทัพของเบ่งยกมาได้และปกเอ็นผางานไปรักษาด่านฐานสักตรูทุกตําบล แต่ตอนั้นก็กำชับทหารให้ตั้งมันอยู่นี่ออกรอบขึ้นด้ยวยฝ่ายตุ้งเพื่นตั้งดีน่ะขาวกีสารเพื่อก่อนที่จเห็นกองทัพโจินยกออกมารบก็ปึก ษ, ษากับเตียนอีว่าโจจิ๋นนี่จะยกทหาออกมาสู้รบแต่ให้ตั้งมันไว้แล้วให้กองทัพยกไปสกัดทางทั้งปวงเสีย จะเอาสเสบียงอาหารมาส่งทางตังงนดดี้ก็อดหแต่ในเดืนนส่งเบียกันนั่ะนนดดแะ้เนี่ยอาหารเราจะขาดผลอีกเพิลงิประปการใดคนเดนกรก่ขณะที่ผไม่ปรึกษานีก็ดีมาชมาบอกว่าันนี้ชาวเมืองเสมแวซีเนะม่ ทหารเกนียบียงมาส่งกองทัพโจกิมทางตะวันตกนี่บุบายสุนเลมาถึงของเดงแล้วเออขอเบงก็ถามด้ยวยที่ชื่อสุนเลสุมเลเนี่ยพูดไดถ้าวมือโลกียงที่มาเข้าเปรียบพร้อมด้วยกับขอเบงเนี่ยถือว่าหลานที่จับตัวได้เป็นเชลยอยู่ในนี้ก็บอกว่าสุมเลคนนี้เดิรนเป็นคุนนางทูน้อยกว่าพล เ, เรือน เด็กตามไปเ็นะเจ้าโจยอยแตะกระพานปากพังเสือไล่พระเจ้าโจยอยมาทหารทั้งกลุเมเน่ยช่วยนิทำสุมเมรผู้นี้สามารถช่วยได้กินดีวิ่งเข้าไปฟันเสือตายพระเจ้าโจยอยจิงตั้งให้เป็นนายทหารใหญ่ตามความชอบนี่เออสุมเมรแม่เป็นนายทหารใหญ่ทอดเหตุ น, นี้ผมเป็นเแดแ็กแย่ไหมก็จริงว่า โจนิมีเห็นว่าเราขัดถมทะเบียนอาหารอยู่แล้วอิกแกล้งแต่งชุมเละให้อุมทะเบียงมาแต่วามกินอาหารมีสะเบียงไหมหวังจะลวงเราจะเผาทหานเราเสียเราก็รู้อยู่แต่แรกเราทำสุดมามีชัยชนะนั้นก็เพราะกลูมายลวมเผาข่าถือน คนเบ่งูถึงแต่แรกของตนละเป็นความจริงของเบ่งใช้ไปเผาผลาญราวผลาญของโจโฉแต่ไม่มนอำมากมาเบ่งตวจแต่แรกเราทำศึกมามีใครชนะมัน้นเพราะคนอุบายรวงเผาข่าสึกและบักนี้โจฉินจะลัดเอาความคิดของเรามากระทำแก่เราผู้เป็นเจ้าของความคิดนี้ ย, ยังจะได้อยู่ดีละเรา เอากลเนี่ยซอนคนให้เหนือกนนี้นเปกล่าวแบนี้ก็เริ่มจัด ก, การทีเดียวฝังให้มาตายยกหางไปตีเกีย น, นสะเบียอแล้วก็ฝังคาบอกไปว่าถ้าเห็นหางโจกิงคุนสะเบียนมาพัดอยู่ทางตะวันตกให้ขึ้นไปทางเหนือเลยแลวเอาเพลินเผาป่าลงมาเลยฝังมาตายแบงนี้ ผมเบ่งคุณตอบไปแล้วฝ่ายโจตินี้ก็จะสําคัญว่าเราเนี่ยยกลงไปตีสเสียงต้องไป็กลอุบายของเขาเขาก็จะยกฐานมาล้อมค่ายเราแล้วผมไม่สั่งต่อไปให้มาตรงให้เตียยนี้คุณหมันห้าพันไปตั้งขึ้นอยู่นอกค่ากําหนดว่าถ้าเห็นโจตินยกมาล้อมค่ายแล้วให้ตีกระทบกันมาทีา่ออกไปล้อมเขาบอกให้ท่าน ฟั่งการต่อไปแต่ให้กุหนหิงเกลียวเปลาคุนหานหลอกยกไปขึ้นอยู่ให้ใกล้ค่ายโจกินุคือถ้าเห็นโจกินยกทหารออกมาแล้วเนี่ยให้กุนหญิงเกลียวเป่าสองมือชาเขือนเนี่ยสข้มรอยเข้าทิงค่ายโจกินไม่จมได้มีการหยุมีโขงเบ่งถนันด น, น, น, นะสั่งการต่อไปให้งอปั้นงอนีกุนหานไปตั้งอยู่ต้นงาร้า้าเห็นท่าสุวเขื่อนดีแล้ว ให้ยก อ, ออกสลักานกันโค้กเบงฝังการจากแกงเสร็จแล้วตัวดค้ก เ, เองเองนันก็พาทหารที่เป็นคนราคนสับมิตของตนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเนินเขา ผมดึงวางแผนบนป้อนบนกวางวางแผนที่ละที่นี e ฝ่ายสุนเรที่บออบายของตนี สำคังนัะล่ะคุณเวียนที่บรรทุกบินตะกิ้ถวานฐานมาถึงทางัวริมเขาหน้าทิศวันตกและก็ปงข่าวไปแล้วหมายความทำเป็นข่าวลัวไหลายไปเรียบร้อยแล้วละ่ะมาไทยก็เอาความบอกว่าบัตรมีคนดิน่แต่งฐานกองให้ยกมาจะชิงเงื่อนฉบียนยสุนเรกอดีใจละเป็นไปตามแผน จะได้เผาผานท่มนวินมากไปก็ใช้คนรีบไปบอกโจกินว่าบัดนี้เป็นตามแผนแล้วโจกินทราความนี้ก็ฟังเดียวโอกับนักลิงซึ่งเป็นกองหน้าให้คอยระวังแสงเทวร่าที่ตะวันตกและก็คิกบอกว่าถ้าเห็นแสงเทวินแล้วก็สมทะมีเห็นว่าคนไม่จะต้องในพรมของเราทเริงยกถามไปล้อมค่ายของเบงไว้ได้ เยวหงนกลินก็ปเกิดทำตามทางฝังแล้วก็คนขึ้นไปคอยดูแสงเทอยู่บนภูเขาค้าไฝ่ายสูงเลยนั้นก็น้ำเกลียนทะเบียนที่ไม่มีทะเบียนมาถูริมเขาในตำแหน่ทุบคำค่อยฐานเอาเกลียนมาสูงเป็นขวัตถือแป้งต่คอยให้ฐานของบิ่งยกเขาลนแหล จะคอยเขาล้นควาย ม, มาตายคุ้มฐานมาถึงแล้วค่อยคนล่อเขไปดูเห็นหานคุนเล่ตั้งรอมเกวียนอยู่ค่อยฐานรายเข้าไปในป่าล้อมคุนเล่ไว้ทีโดยร่มาตายให้ห า, านของจล้อมกองเกวียนของคุนเลยกขาวัดพอลมประวันตกพัดหนักมามาตาย ทานรกเพลินจุดเข้าทางต้นลมคนลมพัดกระน่นําเพลินได้ลมก้นลุกเพลินสนั่นก็ไปสุนเละระขาหน้าลมตกใจนักที่สุดและสุนเละเ ต, ตกตกกลายเป็นที่สุดเพราะที่ตนวมันพุ่มาเนี่ยมันไม่ใเคยเบียงสั่งทหารไม่ออกสกัดดับเพลิแต่เรลินก็หนักขึ้นหนักขึ้นด้วยกาลังล ม, มากแรงลมก็พัดกระน่นํา โผล่เพลิงลุกลามเข้ามาใกล้เกวียนเสบียงในที่สุดเพลิงก็ไหม้มาถึงเกียนเสบียงเข้าให้เกียนเสบียงซึ่งไม่มีเสบียงเนยมันมีแต่ดินไปคืนทุกวันทหารทั้นั้นน่ะก็ไม้โหมกระหน่าไปเลยระเบิดสนั่นหวังไหวไปชุนเลก็พาฐานหนีโผม่ของตัวเองออกมามาตายไปฐานโหร้องยิงเข้าพันทบกป่านหานก็ไว้ทหารของชุนเลอ่ะ ถูกเพลิงเ็บป่วยล้มปลายเป็นอันมากคุณเล่กลัวแกควานปลายเป็นอันมากในสุดก็พาฐานห า, าออกไปหนีไปได้หันเกลียวหอกับหน้ารินทีอ่าได้รับคำสั่งให้คอยดูแสงเพลินนี่เห็นแสงเพลินนี่เปี่ยวหองนัาบินอาหาของเกลี่ยวจินน่ะเห็นแสงเพลิแล้ว ก็ยกฐานไปร้อมค่ายของเบ่งมาตรงเดี้ยวนี้มีสองฐานของขเบ่งซึ่งตั้งอยู่นอกค่ายเห็นทหารตัวกินมาร้อมค่ายก็ตีกระโถนมาพร้อมกันอาหารของเตี้ยวหองนักลินไม่ทันรู้ตัวโขกเกาทานล้มตายเป็นน้ำมากแตก ร, รุ่นไปถึงปาทางก็ไปพบกับงอบป้านงออีคุมหานมาจับบูยิ 9, งเกาทานรบพุ่มบ้านทางไว้ก็ถึงกับ เข้าฟูรลบค่าฟันกันเป็นตลุมบอนไอดีวเตียวหอมีงน้าอินเป็นแหวนวงลองอ้อให้ออกไปได้ขนาดเดืยบเตียวหองหน้าอินตอนที่โยกออกแากห้าไปอ่ะแตพี่เห็นแซงตรงเลขดูทำการน่ะโยกไปน่ะ ก้นหินเปียวเปล่าที่ซุ่มอยู่ตามแผนของโขงเบ่งก็ยกเขียนรอยเข้าไปชิงเอาค่ายได้ครันเมื่อเตียวฮองนัดวินแตกพ่ายกลับมาจะตับเข้าค่ายนี้ค่ายของตนกลายเป็นค่ายของอื่นไปเพื่อแล้วที่้อนหินเปียวเปล่ายึดได้แล้วกอนหินเปียอกเปาก็สงฝ่าในฐานออกกอฐานกระโดดยิงออกมาแล้วก็โยกฐานด อ, อกไม้ฆ่าควันทาหารของเปียวหองนักวินล้มตายไปนั่นมากทีเดียว เตี่ยวหองนักหนิ่งก็ต้องแตกหนีไปหาโจจิ๋นแตกหนีไปฆ่ายายแกล้งเนี้อความให้โจจิ๋นได้ทราบทุกประการโจจิ๋นผู้ได้รับมันฝรั่งชาบว่าให้นิ่งให้เฉยให้สงบ ก, ก่อนจะพึ่ทำอะไรเลยอ่ะมาดนี้ได้กระทำไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ยก็เกรดตกแตกความทิ้นนกหยาบโยนโจจิ๋นก็เสียเนื้อใจมาดนี้ละ่ะ ก็จำต้องเชื่อตามรับฟังคือกำชับ ต, ตรวจตาให้ฐานรักษาแต่ค่ายมั่นไว้นี่ได้ยกออกคือรกด้วยฐานโอมด่งข่างฝ่ายฐานโอมด่งมือชใช้วนครั้งแรกชายชนะแล้วก็ยกกลับไปข่าย จะได้ใช้ชนะก็ตามคนได้ยินได้มาไขครนูสเบียนอาหารเบาบางลงไข่ตุ๋นปลากระเียมผาหาพร้อมทุงหมวดทุกกองกำหนดจะเลิกพักกลับมือเสฉวนเพราะมาครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จที่เข่าทางบานตังท้อง มามีส่งทหานเอกคนเดียวพร้อมกับพลาคนอีกสามพันเท่านั้นแต่ว่าได้ฝ่านกำแพงหนานๆประการเข็มแข็งป้องกันไว้ได้อย่างมั่นคงคนดึงีตีตะบนตังช่องไม่แตกรถบรรทอกมาทางยุตธภูมเขาปิดสาลเนี่ยก็ได้ใชยชนะเจอกลิ่จริงหรอกแต่มันไม่ได้เป็นผลอมไรมากมาเว่านี้ก็เห็นว่า จะอยู่ป่อไปกับไรได้สเบียงหันก็เบาบางขาดศึก็รู้ตัวขิ้นแล้วชนิดก็กำหนดจะเลิกทักกับขนาดนั้นเอีย่ยงหนีก็เข้ามาห้ามมาสงครามครั้งนี้ก็มีใครแก่ขนาสุดบุอีกเหตุทีไหนมหาอุปราชจริงแค่ทอนนั้นกลคืนไปกระอปผมเบ่งก็จริงว่า ทำการครั้งนี้จะว่าได้เปรียกวัดทีนแต่ถ้าเสบิยอาหารเสบิยอาหารที่จะเป็นกำมังแก่ราชการนี่มันเบาบางแล้วเกลือว่าค่าสุดเกลียนต่ยกอ้อมไปปิดหลังไว้เท่านั้นก็จะเสียท่วงทีประการหนึกองทัพมุงลกเอี้ยนยกอุดหมุนเพิ่มเติมกันขึ้นมาก็จะต้องสู้รบกันชัดช้าอยู่ <no ades> การทำสึกถ้าเห็นจนชนะก็ควรจะรีบรัดทำการให้่อเปิดโปงมืออันเราจะเลิกทับมาแบบนี้เรากก็เพราะเห็นว่ากองทับมือโลกเอียงมีอาจจะตามเราได้แต่ก็ยังวิบวับดีด้วยเอียงเพืเดียวเราถิ่นจะใช้ใครไปบอกใครคิดกลอุบายฆ่าองสงทหานเอกของโจกินเสียก็เห็นจะสำเร็จอยู่ เป็นครั้งพูดดังนั้นแล้วรุ่งเช้าก็สั่งให้เลิกกองทัพกลับเมืองหันปงที่ฝ่ายเตียวคาถูกแด้รักษาดนอยู่นั้ยกทหารมาถึงข่าโจกินเตียวคัถก่อนมาบอกกับโจกินว่ามันมีรับฟังจากพิเโจยอยให้กับเจอยกทหารมาให้ทำใช้สอยกิจการท่้นปวง เมื่อท่านจะยกมาเนี่ยได้บอกลาซูมาเอี้หรือเปล่าเจียวคับก็ตอบว่าขาบัตเจ้าก็ได้ไปลาซูมาอี้เจตินก็ถามไปเว่าสุมาอี้ น, ว, นว่าประการใดบา้างนี่เจียจีนนมีความคิดเพี้ยนนี่ยเจียวคับก็บอกว่าสุมาเอี้ว่าแกขบัตเจ้าว่าถ้าผมไม่เสียทีแกเราเห็นจะไม่เลิกทักับ แต่ว่าถ้าผมไม่มีใครชนะแกเราจะ ต, ต้องยกพับกลัเป็นมั่นคงมีเกี่ยวครับตอกเท่นี้วัตุมาอี้บอกมาอย่างนี้แล้วดูเถิดวัตุมาอี้ประมาณผู้มุติละวังแล้วมันจะชกโกนนะ่ะถ้าผมไม่เสียทีก็จะไม่เลยแต่ถ้าผมไม่มีใครชนะก็จะเลิกพรบกลับ ถามถามโจกิงทีเดีย ว, ว่าแต่ท่านน่ะเสียทีแกคงเบ่งมานั้นได้คนไปสืบดูบ้างหรือไม่โจกิงก็บอกว่ายังไม่ได้คนไปดูเลยเดี๋ยวรับก็ที่บอกว่าขอให้ท่านใช้คนไปไปสืบดูให้แน่นอนเถิดบัฟบิคเองเอบ่งน่ะมีใครชนะคงเบ่งคงจะต้องถอยกลับไปและเป็นมั่นคมดังที่ซูมาอี้บอก เดี๋ยวขับกล่าวดังนี้โจจิ๋นก็ท้ายคนไปเืิดดูเจ้คนที่ไปเืิดูก็กลับมาบอกว่าคนเด้งเลิกทัพกลับมาได้สอวันแล้วโจจิ๋นแจ้งดังนั้นถึงกับมึดตบอกเสียงเยใจทีเดียวแล้วก็พูดมาว่าเรานี้นี่รู้ทำของเด้งเลย ครยเยงหลักขันแจ้งว่าองไม่จะเริกทับแล้วแล้วก็สั่งมาว่าใหหาอุบายฆ่าองสงให้ได้เนี่ยองสงในฐานเอกมสาคัญของโจจินเขาน่ะสูยหกศกมาดปลาแดงรักสมบับาเสืออู่จาริยาหหมีฟิด้วยอ่าอุยเหวี่ยงนี่นแจงว่าองไม่จะเริทัแล้วก็ั่งว่า ให้เอาไว้ฆ่า อ, องสงดได้เนี่ยอีเหนก็แต่งทหารนี่รอบยกไปซุ่มอยู่หลังค่าย อ, องสงแล้วก็สั่งว่าถ้าเห็น อ, องสงยกออกจากค่ายแล้วให้เอาพลนเผาค่ายขึ้นเมื่อตุดเผาแล้วให้รีบหนีมาแผนการของอีเหนการจัดแกงเสร็จแล้วให้ทหารทั้งพวงเนี่ยถอยไปก่อนแล้วก็สั่งกาชับว่าถ้า อ, องสงยกตามมา ใครพากนรีบหนีไปอย่าเร้รลังรอเลยดีเราดูปัญญาอุยเอียนกันบ้างมีเอียนสั่งอย่างนี้และมีเอียนกับฐานสามสิคนเนี่ยเข้าซุ่มอยู่ในป่าในเวลาตลาคืนนั้นมาทายก็ความไปบอกแกองสงว่ามัดนี้อียเอียนยกฐารหนีไปแต่เวลาทุบหนึ่งแล้วองสงฐานกล้าฟื้นหยิ่งของเจจิ้ง เด็กแก่ก็ยินดีทีเดียวยกฐานออกจากค่ายติดตามยทีเดียวเ็นปีกรั น, เ น, นำเตม่นนฝ า, านปเอียนสลาถอยนั้นเห็นฐานองสงติดตามหัวรองกระทันลิกใกล้มากุรีบหนีไปตามคาสั่งอุยเย็นอ่ะให้รีบหนีไปอย่ารอยอยู่อ่ะทหารที่ซุมอยู่หลังข่ายองสง ล, ลักกองที่อุยเย็นส่งไปอ่า อ, ออบไปทางบ้านหลังค่ายอ่ะ เดือดห็นองสงนําหานออกปิดตามกองพักของเอเอ็นที่ถอยอะกองทุ่นเนี่ยเบ็ดดีก็ลอบเข้าไปเอาเพลิงจุดเผาค่ายขึ้นโหร้องวุ่นวายดังกว่จะโจมตีค่ายแต่แล้วก็พากันหนีกลับมาทีนี้ฝ่ายองสงยกทหารปิดตามไบวันนั้นน่ะก็เหลือหลังมาที่แสงเโิมปิดโคงขึ้นตีค่ายตน ก็รว่มีถูกนอุมายอุยเอียนเพลียแล้วถูกมเอียนทํากนก็แล้ว อ, วว อ, องสงก็ชักมาพาผันจะับหลังคืนกลับมาจค่ายอ่ะอุเียนกันสาสคนซึ่งแอบช่อนอยู่ใปารกก็ชักมาักมารำาเอาออกมาทีเดียวรองประกาศชื่อแฝงเลยทีเดียวว่าอุยเอียนอยู่นี่ อ, องสงเมื่เห็นเอียนจะทาดมาผ่านหน้าปรับมารับเนี่ยก็ไม่ผ่านเอียนคือชุ่มอยู่แล้วคทีอยู่แล้วได้จังหวะแล้วนี่ตะโกนประกาศชู่แท้ฉะนั้นเราเนี่ยก็กระตุ้นมาพวดเดียวถึงตัว อ, องสงเอียนก็ฟันไิ่งาวถูก อ, องสงตัวขาตกจากหลังมาถึงแก่ความตาย ทหารทั้งปวงเขาองผมก็แตกตูนไปมีเหื่ทํทำการสมเร็จตามที่หกหลวงสั่งมาแล้วก็กนี่มาพับ ก, กลับไปยังเมืองทันตุแล้วก็เขาไปแจ้งแต่ผมเ่งในฝ่าผู้ประการผมเบ่งก็มีความยินดีเปิดแต่งโต๊ะเลี้ยงนครับนายกองทั้งปวงละ่ะทีนี้ในขณะนั้นแหละทางฝ่ายโจอินเนี่ยมาใช้เกเมื่อความไปแจ้งแกโจอิน่ะ ก็มีเหมือนฆ่าองสองสุงแต่ความตายก็ยแล้วโจกินได้แจ้งว่าสูงเสืยฐานเอกคนสำคัญที่มีดีของตัดไปยังก็สลดใจยิ่นะก็เกมเดียครับสุนเล่โกชุปตั้งอยูรักษาด่านทางเงียนเตียงอันทุกตำบนแล้วโจกินก็เลิกพับลไปเรียงล็อกยัง เสฉวนหูโตนะครับคบหลวงไม่ประสบความสำเร็จอีกแล้วที่นี้กล่าวต่างฝ่ายต่งตงางบังมาใชัยแข่งต่างก่ อ, กอเด็กเนื้อความทั้งสิ้นเนี่ยไปแจ้งแกพระเจ้าสงกวนว่าขงเบ้งยกทัพมารบุ่งกับโจกินข่าทหารโจยอยล้มปลายเป็นเงินมาก แต่บัด น, นี้ยกกองทัพกลับไปมือฮันโงงแล้วเอารายงานไว้อย่างนี้ก็เป็นความจริงหควลงชนะโจกินพันะแล้วก็ถอยอะแต่ความจริงนั้นยัอยู่ต่อไปนี้ได้สเสบียงอาหารไม่เพียงพอแก่การข้าฝ่ายขุณนายขบวนที่เกิดทุนก็ไปเกิดขึ้นกวนดับบั น, นี้ถ้าาหารไม่มีนกเอียงเนี่ยอีกโรยดคงหนึ่งก็ทาเอาบอกช้ำยิงแล้วอันหนึ่งกองทัพหนอ่งเสฉวน ก็ยกกลับไปได้ทีอยู่แล้วขอพระองค์ให้ยกทหารไปตีอับดุลโลกิงในขณะที่โลกิงกำลังอิกรยระสำระหายอยู่นี่เห็นจะได้สะดวกนี่กางต่างนี่ถือว่าเป็นนี่กับเสฉวนแล้วสุนควนเป็นนิ่กับองค์่ด็กกบ่างถาจะบดคยีโลกิงหูโตเนี่ยแต่พ้จารณาสุนควรฟังเราทหารที่เป็นสาท่างหลายกล่านี้แล้วก็มิได้กลับเปลีกันใด เตียวเตียวถูว่าบัดนี้เงื่อนไก่ตังมีผู้โหงเข้ามาร้องอยู่ทุกเวลาอั น, นุมังกรก็เป็นแดงวิ์ในท้อมหมาสมุทรเป็นอัจจันต์หนาเหมือนจะบอกว่าเทศ ก, กาลนี้เป็นมงคลอันประเสริฐขอโปรดให้ตั้งการพิธีราชาพิเศษซะก่อนแล้วทีให้ยก ไร่พไปตีมืโลกเกียงเติรเตี้ยวเกียวขุนนางผู้ใหญ่ที่ปรึกษาผู้เฒ่าแต่ทำแม่นำขึ้นเฉนี้ยแต่ำทำพิธีรัชพิเศษก่อนเพื่อสื่อควรก็เห็นด้วยครั้งถึงเดือนสีก็เหตแต่งการกเพื่อเฉพีธีพร้อมเสร็จทุกประการตามประเพมีแต่ก่อนตา่างโครเป็นใหญ่ ในเมืองกังปังในวันสุพมงคลฤกษ์ ses. และ enfin <im> <professionals> ติดต <im> <limb> like ั้งซุนตยนประจมุใ <im> ห้เป็นฝ่ายมาให้ตูกัดเจกมตกั้เป็นเสมาบดีฝ่ายวาให้เตียวหิวมุเตียวเตียวเตียวเตียวาหูใหญ่นี่ให้ตั้งเตียวหิวมเียวเียว เป็นเสมาบดีฝ่ายซ้ายช่วยทะุ ม, มังุญกระจับุตามกระเพณี คนเี่พระเจ้าขุนควราพะเนควเนี่ยมีเขาไทยรักนะด้วยอายุได้หกขวนเนี่ย ก, กัดจินผู้เป็นดีดาได้พาจูตัดเก๊กผัวบุกวัยหกวบเข้าไปกินโต๊ะในท้องพโรงพระรพเจ้าขุนควรเห็นหน้าจูกัดเก๊กอีกยาวยาเหมือนกับโล่ก็ จ, จเาาูเอาโล่มาจาริกเอาไว้กิ่หน้าลนะ่น่ะว่าจู ก, กัเกก คนงานสองพวงก็ช่วยกันหัวเราะเยอะเด็กน้อยอายุหกขวบผู้นั้นจูกะั เ, ววเยวีวัหกวเหลือานั้นก็ลุมลกออกมาเอาผูกกันเขียนอักษรต่อลงต้นบรรพสองตัวว่าแต่โลกของผสมกันเท่ากับคำว่าโลกของจูกัดเยว์ผสมกับคำว่าโลก ก็จะแปลว่าโลกของจูกัดเจก่ะคุณนานต้อรวัจูกัดเจกเทาเทวเหนียวกดชวนกันสนเสริญเพื่เจ้าทุนกวนก็ให้มีพราไทยเอ็นดูโปรดพรานแต่นั้นมาละและมาบัดเนี่ยเมื่อเด็กแต่งต่างพระเจดุคือชูเต็งี่เป็นฝ่ายหน้าหรือเรียกว่าเป็นรัตถายาก็ตีเลต่างจูกัดเจผู้นี้ให้เป็นเสนาบดีฝ่ายขวาเนี่ยครังเพเจ้าทุนกวนเอกระท ตามก็จะที่ดีราชกาทิเศษเรียบร้อยแล้วคอยต่ารเกณฑ์แต่แพรผ่านทั้งภวมเข้ากระมวนทักยกไปปีเมืองลกเอียงเดียวเจียวที่ฝุกษาใหญ่ก็ทูลห้ามว่าพระองค์ขึ้นสำเร็จการสงครามแต่ราชาทพิเศษใหม่และจะยกกองทัพไปปราบปรามรัตรูนั้นขอให้งดไว้ก่อน จงตั้งซ่องสุนทู้คนเปียกพรมือเฟซชวนให้เป็นไมเตรนิกกันและจริงมันจบาหารทั้งสองฝ่ายไปช่วยกันกำจัดศัตรูรพอมะองลกเอียงเอียงจะได้โดยง่ายมีเ่เตียวเกระพุนะน้งแมกนัมเช่นนี้แล้วก็ถู ร, ระรวมกำลังกันได้ดีมันจะตัดกันตป็นกุหลกุลาาวอยู่อย่างนี้ใค้อ้ว่ใชะเป็นฝ่ายเดียวเลย ไม่ออได้ฟังเห่นชวยก็แต่ให้ ค, ในคนถือไประเจ้เหล่าเสี่ยงนนัะ่มีเสด็ชวนพรเจ้เหล่าเสีย่ยงกนนะคนายก็มาปรึกษาคุณนายก็ถูกลับซึงจะเป็นไมตรีเรืะเจ้าส น, นเตี้มและช่วยป็นกำจัดศัตรูนั้นขอให้ปรึกษามาอุป ร, รากพระเจเหล่าเสียงก็เห็นชอบด้วยก็ที่ น, นี้นคุณนายใหญ่ไปปรึกษาก็จัดการ น, นี้ด้วยของดึ เมืองฮัมปตเป็นอนว่า ค, ความจีบินกันทังีกมีไมรตรีต่อกันแล้วแต่เป็นจีเป็นทั้งไปครั้งนึง น, นะแต่ว่าทีน่นีมาจากการทำการเช่นนี้ขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการเจรจาผูก พ, พันเนี่ยเป็นมั่นเป็นคนงนแต่ถ้าจเจ้าเลาสิ่งเด็กฟางที่รึกษาบอก ที่เรียกว่าการใดนันยังมีอยู่อีดังนั้นที่เราเชื่อแคุณอาเป็นารองลัเบื้มีนิสัยอกมาวั่นซึ่งมือเศฉวนกัมือกางตังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันนั้น่วนยแต่ตัวบัตรนี้พระเจ้าสุนกวนก็เป็นเสดจากการประชพิธีราชพิเศษใหม่ๆขอเให้แต่งบาการไปฐานข่าวยื่นพรเจ้าสุนกวน ก็ฟังดูติดติดซาประเพลีแผ่นดินให้แม่นอนอ น, น, นอนแม้กระท่สุขควจะเป็นไม่รีด้วยโครงโดยสุจริตก็เหนมั่นคงตามสัยานุสัตรไปถายหน้าอยาให้แปรเปลียนฟั่นเปียนเสียคืเผมเป็นกำชับามาอย่างนี้เพราะเจอเราเสี่ยงก็เห็นชอ่อเบื่อคอยแต่นดีรู้จะหมัดดีเป็นทานราจะไม่ตรีได้ก่อนละ ขลับครื่องราชบรรณการและครื่อยกสิงของตั้งวงกั น, นั้นมากเขตต่างจคุ้มไปถวายกับพระเจ้าสูงเกลพระเจ้าสุขเกลได้รับก้าวของเรื่องเอกสารและเครื่อราชบรรณาการเราเมันก็มีความดีดีคอยดูรูดูดูดูซื้อจากเคสเสใส่ตามประเพณีแล้วก็ตอบเครื่องราชบรรณาการโดยสมควรมา และวก็มิหนังสือตอบรัปฏิญาณโดยทางรัชมติปฏิญาณเลยทีเดียวเหตุการิ้มแอนเฟชชวนเนี่ยนับกลบมาถวายแกพระเจ้า เ, าเร่เสียงแล้วพระเจ้าจิ้มโกงก็ศึกษาดิโลกสุมโลกสุ่มแม่ตาคุนพงคนสำคัญของการต่างล้วโลกสุ่มก็ภูมิวาซึ่มพระเจ้าหล่ เ, เสียง มาเป็นมตรีด้วยทางเนี่ยก็เพความที่ของโขงเด้งโขงเด้งกลัวซุมาอี้กิมาเป็นไมตรีด้วยการของเราก็ใช้ได้ทางไมตรีนี้เสียก็จำจะต้องบอกไปะถิ่นเสฉวนว่าเราจะยกทัพไปตีเมย์ยกเอียนให้โขงเด้งยกทัพไปกองยุมาีก็จะยกออกมาสู้กับโขงเด้ง ฝายเราก็จะรอดเข้าไปตีอเมริกโลกเอียนได้โดยง่ายมีลกสุ่มวานแผนในเช่นี้เลยเดี๋ยวผมเล่นตีเข้ามาก่อนเพื่อเจ้ฝสุ่อื้งวนวาที่เห็นลกสุ่มเท่นี้ก็เ็นชอบเ้ียก็จะเรียคนถือชี้นไปแกล้งกับเจ้าเราเสียงดังที่โรกจุ่แน่น้ำนันแหละวายเดียช่วยนี่ยกน้ำไปตีและคนกจะตีเข้าไปนิกัน และจากนั้นก็ฝังใ้การเกินกองทัพมังกรพร้อมไว้ทุกหัวเงินที่นี่ขันฝาเพืเจ้าเราเสกแกงถือกระบอกนักหมายแล้วก็ไปเส่แกกองเบ่งงเบ่ง น, นั้นมีความวิตกนะดึกคิดว่าตำบลตันชองนั้นที่ไปยกไปเลยก็เป็นพานทับขันขัดสมอยู่ก็จินชายคนไปสอดแนมดูเราเป็นประการไดอย่างไรบ้างทางตำบลันชงเนี่ย คนไปสอดแมนข่าวกราวแล้วก็กลับมารายงานว่าบัตรนี้เฮเกีโยผู้รักษาด่านตะบนตามช้องเนี่ยโดยหนากอยู่ผมไม่รู้ข่าวนี้ก็ดีใจก็แต่นอ้กุเอียยเกียังอุยีกุยเอียนกับกียังอียสองนายเนี่ยคุมานห้าพัสั่งกำมดให้เขาประชิดจนถึงกำแรงตามชองไทยพีพีติดขึ้นมาได้แล้ว ให้ยกฐานไปให้จได้ทางทั้งสองไม่ยกไปในสามวันให้ทันทรีเมื่อจานทับรบร้อยแล้วจะได้ต้องมาล้าบารงให้เสียเวลาเลยเนีมฟังการแบงนี้เลยคือจะต้องกาเกณฑกองทัพทะเบียหันทั้วงีหียญเกณีคมรับทาแล้วก็มาจาัดแจงการทะ้บพร้อมแล้วก็ยกฐานไปผมเ่งก็ด้วยกหินเปลือกเปล่ามา กระติดสั่งเป็นความรักให้กลากรีนผานไว้ให้พร้อมฝายก็ฉุยกับเตียวครับสุ่มโจกินรักษาด่างหยิ่งแย่งไหวให้เตียวเปวดหนักก็ปึกษากันให้เตียวครับองค์ฐานสามพันยกมา จะให้ยูรักษาตบลปั้มองนี่ฝ่านี้ทำอย่างนี้ในสณะนั้นผมเบ่งนะเมื่อไอิเตี๋ยวเปายกไปแล้วนะก็ืิตฝันเป็นความรับไปดูนะไอ้กลิ่นเใี้ยวเปาไปแล้วผมเบ่งก็การเคลื่อนานรีบยกหักฐานมาโดยเวมาถึงปั้มช่องอบอื่เตี๋ยวอื่นะรอีกเียวนอื่าหาันมานแต่ยังไม่ถึเบ่งมาทางห มาเึ็นก่อครั้นเวลากลางคืนได้ผีค่อยทหารปลอมกข้ไปในกำแพงติดเพลิงขึง้นและคนไม่ค่อยทหารคลูกันรีก็น น, กนำเข้าไปไ ว, า, วางฆ่าปันทหารของ เ, เ, เรือเปรูละมานทีเดทารที่อยู่นยในกำแพงไม่ทันรุ่งตัวเลยก็แต่ตื่นนี้ออกจากท่าถงเหยียดย่ำกันลงไปเป็นอันมากทีเดียว เท็จเดียวน่ะตัวหนักอยู่แบวลุกไม่ได้เมื่อรวเสือตันชองแล้วก็เลยขาดใจตายไปเลยคนเล่นแค่วิธีการอย่างนี้คือส่งเหรียญเกงูเป็นกองทัพเบิดขระมาถ้าสึกก็รู้ อทับมาแต่ยังไม่ถึน้นก็ไม่ไดมีการเรียการส่วนตัวเองเนี่ยรีบรอดไปทางรับแล้วก็ขับและทาเอาขณะที่ขาสุดยังมีทํารระมัดระวังตัวอะรแหละทีีท้กาไฟอีกเหมอนกีนายกทับมาถึงตำบลตันตชองเหเ ง, งียบสงัดอยู่มเดิ น, ดานทางเลยบนเชิงเทินเลยแต่เห็นพงเลยโพงจารึกชื่อเมืองเฉลวมปากอยู่บนกาแพงตชองอะ่ะก็แปลกใจ แล้วก็มีสิยงขอเบ่งร้องออกมาว่าเป็นใจหมายท่านเป็นฟ้องจึงค่อยมาถึงเราป่านนี้อ่ะมีเอียนเปียงอุองงองกันไปยินเสียงขอ่ร้องแล้ก็ตกใจก็ชักมาก็ไปใกล้กาแพงลงจากหลังมากุ้ข่าวครมาของเบ่งก็ขันเปิดประตูรับเขออ้ามามีเอ็นเปียงอุยก็เข้ามาในเมืองคำมาของ่งแล้วก็ถามว่ามาหาอุปราชทำประการใดอย่าง กินมาถึงตำบนตันสองกองก็ไปเจ้าชู้อีกล่ะผมเล่นก็ตอบว่าเราเน่แก้งด้วยเฮกเกียวนะตัวยนะทิ้งเกียวได้ทั้งสองรีบมาก่อนทางเนี่ยก็ไล้หวังแค่กิจที่สาเวื่งวีไปเพื่อให้เฮกเกียวนะคอยระวังแต่กองทับทันอยู่เท่านั้นส่วนเราก็ยกหันหลับมา จนได้จุดเพลิงเผา่ายขึ้นได้เข้าโจมตีเอาก็สําเร็จได้โดยง่ายดิคาตันนี้ทำเราหวังกระเบนเจ้าโบแต่ระวังกองทัพมันอยู่มี เ, เอียงเอียงอุ่นแจ้งดังนั้นก็สั่งเสริมวมามหาอุปราชคิดกนอุบายทั้งนี้ดึก ย, ยนินเทอประดาผมเองกจริงว่าซึ่งเรายกมาตีในสมบุญตังของนี้แล้วแต่ก็ยังจะต้องทําการต่อไป ทันจะอยู่ชา้าก็มิได้ข้าสืบรู้ตัวก็จะกล่าเรียมการพันแล้วการขึ้นจัรรถสู่ไแรอาหารก็จะรับความระบาดมากดังนั้นท่านท้ ง, งสองด เ, เดีเด๋ยวเห็นใจเดืเยืเลยเดี๋ยวหยุดพักเลยจงรีบยกไปปีนด่านซังกวนอย่าให้ข้าสืบทารู้ตัวอีเลีนเกีนอีรับคำสั่งแล้วผมอำมราออกมา ยกขารไปฝ่าย้าวด่านฟันตัวไม่พันรู้ตัวไม่พันปลาเอการหมัดมีหักองทัพยกมากรไรกระไรต่างก็ตกใจต่าโกนต่างก็ทิ้งด่านเสียอีเอี่ยนเกียงอีกก็ยกเข้าไปในด่านฟันอ้วนได้บ่ง่ายก็พอดีกองทัพเตียวครับสิยกมาถึงเขาเตียกครับแย่งวัด่านฟันกวนเสียแก ชาสุดเล้วเดียวครับก็ถอยพักก่ อ, อเหิียรติมเหินส้วยซีก็ยกนขข อ, ออกโจปีไร่คาวันฐานเตียวครับลงป่าจนันม า, มากปีเดียวทีเรือกระายตักระจายกระจายกรสิ่งและเหินเกียมีก็โมถึงีี่ไปแจ้งแก่มดึงผมงก็รียกพ่ายโมัดตั้งมนะั่นนะตำบนเขาขีสาร และก็ปิึกษานะครับในกรกองทพลวงอ่ะแต่เรายกมาทำการที่ตำบลเขาอีศาเนี่ยก็เสวยทีต้องยกพลกลาบมาถึงสองครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ชัยช น, นะเลยครั้งนี้เราทำการด้วยสมคดเดมิ้นใจทิพยเห็นทิงมาอี้จำหมายว่าแบบ น, นี้เราจะต้องยกเข้าไปทางเมืองไปเสียและทางเมือง เออยกจิ้มวมีรายก็จะยกกานไปส ก, กัดทางอดูทางนั้นคอยรบพุ่งเราเหมือนครั้งก่อนครั้เราจะยกกองทัพไปทางนันรับก็มิได้ก็จาจะต้องยกไปทางเดือนอินเงปงมือเตาเนหลีกทางนั้นไปก็จะทํากาอตลอดก็ไปถึงเงินยกอย่างใต้อะพูดได้อะ จะอาสาเราไปทำการครั้งนี้ได้บ้างเกียงอี ก, กับองเปงก็รับขึบ้นมาข้าวเจ่าจะขออาสาตัวเองผมเองเก็มีความยินดีเหมาะฐานในคนลมือตำรวจกียอยกไปทีเมืองกู้เตา๋าแล้วก็ให้องเปงเนี่ยยกไปทีเมืองอินเิงสองหม ํำมากรับคำรับใครคนตังตง้งตัวแล้วก็วยกทหารไป ใบบอกหนังสือขึ้นไป็กแย่งแก้พระเจ้าเจอยแล้วก็ปรึกษากันกับเดียวกับก อ, องทัพของเบงครังเนี่ยเห็นจะต้องยกไปทางเมืองไปเสียและทางเมืองยงจิ๋วเนมั่นคงจะไว้ใจนิดได้นีคะแมอย่างดีเลย อ, อช่วยก็คริดแต่เดียวกับเนี่ยอยากดูรถสามมีเือนัน ให้ซ hey, yani. right oh, so, ุนเล่ไปรักษาเนืองียุยนนก็ยกทาไปป้องกันเืองไปเสีย่ประมาณเอาก็เด็กภูที่เดียวเขไปป้องกันอยู่ทางนู้นตัวเองก็อ่งกำลังัีปปูเตา ไปไปเดินยิ้มไปเดินปูนตาว่าี่นี่หนังสือของโอช่วยที่มีใบบอกแจ่งเขามายังไมงหวงอ่ะพระเจ้าโจยยอยได้แก้งในหนังสือใบบอกกระนั้นก็สมงวาวิดตกอยู่ก็เา ะ, ะมีนน่นมาขางวางเข้ามาแจ้งว่าบันนี้มีการตั้งกับห น, นังสืชวนนันเป็นไม่ตรีกันเข้าแห่ ที่อ่านจะยกกองทัพมาช่วยกันทำร้ายเจ้าเมืองเราและลูกชื่กันแตงๆก็กลาเตรียมาพรพร้อมอยู่จะยกพักเข้ามาในวัน2วันนี้นี่เจ้าเตยยอในตอั้นก็ทุกทรานมากทีเดียวเพ่รายงานว่าสองมงจะยกเข้ามาตามรายงานแล้วว่าอีก2วันอีกวัน2วันลกูกชืจึงจะยกมา แปลว่าบาปมีโบแพ้จริงที่เจ้าเจยยอยเด็กสาวจากถือใหบอกของโกชุวยอ่ะแต่โอช่วยนี่เข้ามาถึงที่ศาลแล้วพระเจ้าเจยยอยก็วิบกิบเป็นทุกนาทีเดียวเขาจึงกล่าวถ้ากองพับเป็นสองหมคือเศยร์นกันต่างรวมกำลังมันจบกันเข้ามาทำร้ายเราแล้ว เราจะไม่ขัดสนเลยนยสุ ม, มาอีก็จีวอกพระองอย่างวิกฤตเลยอันนี้นต่างๆ่างน่ะเอ็นจะไม่มาทำร้ายเราดีสิเมื ง, งไรก้กฏบัต่างต่างน่นเป็นอริกันอยู่กับเศษชวนขมเบ่ก็คิดแะแตะแขนเมือดครั่งตำบนเอาแต่อยู่ไม่เล็ดขาแเบนี้ี เม่ น, นคิดกลัวยวกองทพเราเนี่ยจะยกไปตีเฉยฉวนแลวก็เกรงทุ่มรจะพอยเป็นทัพหลังก็ไปเรว่อยก็กินแป้งแต่งคนแต่กระจัดแยงเสีหวังที่จะเมีแต่ตงทำา้ายฝ่ายนแต่งแต่งก็ังกตรับไมครี๊วหลอกเปล่าดูเสียนี้ได้ตัวจะอายสอย่าลบสุตระเด็นทาหารฟฟอนไว้ทนี้ ลกซุ่นก็เกิดทำไปแต่เป็นทีพอใอ้คนไม่เชื่อไี่ได้ระแวงใจเขา น, นที่กีนั้นลกซุ่มจะคอยดูเล่นดอกในขนเป็นคล่นพรำเราลงก็เห็นว่ลูกซุ่นแหละจะซ้ำเติมขนเปนฝีอันกองทัพรางเงินกต่างนั้นจะปรารมใบใหญ่มีสุมาอี๋ว่าชอดๆ็อตช อ, ชอตลปาเห็นเลย ว่าแต่ยังมีเลยซึ่งมันก็ปิงทุกประการแหละการต่างเสฉวนเป็นผันหกหาลกเตียววีรื่ v, รรได้ประการใดที่สำ่ราปีละะดครั้งกดิฟตา่เลดี ไม่ย่การตังที่รา ย, ยังทาอะไรไม่ได้ก็ไปไมตรีไวก่อนจะกิน ต, ตามที่สุมาอี้กล่าวมานีแหละแล้วก็บอกเขามังดีแต่มื่การตังบอกยังไงยังไงุ่นก็ไม่มาุ่นจะคอยดูเล่นอยู่เท่านั้นแหล ะ, ะเจ้าเจย อ, อยก็กิ่นวางที่ขึ้นว่ามีก็ควรหนักหนาวิเศษ ท, ที่มีปัญญาอันสุขขุนยังรู้ตลอดไปได้ แล้เเวเจ้าอก็ตั้งกับซูมาอี้เนี่ยเป็นมาทัพใหญ่ให้อายาสิทุกระดับสมาอีก่ก็ำเนแล้วก็ออกมาจับแรงทหารยกไปท่านยกไปถนเป็นอันนมืนหน้าต่านสำคัญป้องกันเซชวนอะสมาอี่ก็แต่ง้เพียวครับไปเนีอยงทหารสิบู่ไปตั้งรบับกองทัพของเบ นักเขากิสานที่ฝโกชุยสุมเร่รั้นแก้งว่าสุมาอียกมาตัางอยู่ในเมืองเียนอันแล้วก็ยกออกมาหาสุมาอแล้วก็ถานแบบสุมาอีก็ถามว่ า, าทาั้งทั้งสองอ่ะไปสร้างรักษาเมืองสองตำบลอยู่นั้น น, น่ะอนนี้คือคือเมืองไปเสียและเมืองหลวงเกี่ยว ไปรักษาอ่ามูลสองประมู่นั้นนะ่ะเดี๋ยวรับทุนจบกองทับโ ค, คไมิงมันรู้มให้โกชุยตุนเล็กตอบว่าขบเจ้าตั้งสองไปตั้งอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นทหารโควม่งยกมารบทุนเลยสมมาอีกกระฐานตอไปว่ามันดาวุ้นเงินตังต้งเลงนั้นท่านรู้ข่าวดีรายประการใดอย่างไรบ้างโกชุยตุนเล็กตอบว่าอันหุ่นเงงเป็นขพเจ้าเบกทาว่าดีอยู่สิ แต่ปูเต่าปูเต่งสองเดือนนั้นนี่เรรู้ข่าวเลยว่าร้านดีประการใดสุมานีก็จหิงว่าพาจากนั้นทั้ทงสองจงคนคุมฐานคนละผังยกไปรักษามนปูนเต่าและมนอินเต็ง ไ, ได้ด้ยแต่จัดแจงมั่นคงแล้วโกชุยคึงเลยก็ยินปอกว่าอันวุ้นเายทางนั้นก็จะไบด้่าว่าดีอยู่สิ้น แต่ตูเตาอินเต่งสองเดือนนั้นนี้เดรู้ข่าวเลยว่าร้ายดีประการใดสุมาอี้เขาถือว่าพลาดจากนั้นพันทั้งสองตรงคุณฐานคนละพันยกไารักษา ม, มินตูเตาและมินเป็นได้ได้ยแตจากแกจมั่นคงแล้วต้องช่วยกันคิดอ่านคอยสกัดตีวกหลังกองพักมินเฉยฉวน ให้ภาวะผาหวังนไหวครั้งนี้เราจะคิดอ่านทำการจับตัวผมได้ให้จริได้สมาชิกในฝังการที่จะ ผมไม่เคยได้แล้วเนี่ยั่งการประชุนเล่ยนีอุอออออออต่นี่เรามาสังเกตโคชุย น, นิึ่โคชุยนอ่าครีกว่านีมัจะไม่ค่อยได้ทีนี้บางครั้งบางคราวที่ทาฝั่งเป็นอุเบกความบริสุทธิ์ใจเป็นด้ความิ่แหละนี่แให้โคชุยแอนแผลอะไริดไปหลายอย่างหลายออยู่ บาดนิสุมาที่เป็นาสั่งกานกโกชุยซุเล่ก็คำนับรับคำรัคุณบหานยกไปทีเดียวก็ถึงกลางคืนมาชัยก็มาบอกแล้วว่ามืกินเต๋าือกินเต่งนั้นกองทัพ อ, องดิ้งปีได้แล้วและบาดนี้โยกานออกมาอยู่นอกเมืองระยะทางประมาณร้อยเ้นโกชุยซุนเล่สองคุณสุพินีเอลวิต ก็ปรึกษากันอยากองทัพมูลเสฉวนเนี่ยยกมอตีมูงกูเต่าอินเป็งได้แลเนี่ยก็เหตุใดจึงยกองทัพมาตั้งอยูนอกมูล่ะไม่เห็นผิดนะจะรอยจะต้องแต่งตัวด้วยลวงเราเราจะล่วงเข้าไปนอย่างนี้ได้ทั้งสองอ่านกันใงนี้แล้วก็กดชวนกันพาดถอยหลังออกมา ก็ได้ยินเสียงประทัดจุดขึ้นปินป้งปางขวังไว้บนเนินเขานั่นทั้งสองนายานทรต้องการก็ตกใจและปลาที่เห็นองเว่งแต่งตัวเอโทมถือพัดโหมกขีเกวียนน้อยยเป็นพามะที่หกหลงช่อมาขึ้นเกวียนน้อยเนี่ยแล้วก็มีกวนหินเต่าเป่าสีถือกระบี่เดินซ้ายขวายกานส ก, กัดมาตามเชิงเขา โถฉุยสุเลถโตเต็มต้ลุงเลยโอ้ยเบ่งก็ร้องขึ้นบ่าไอทหารสองคนงนี่ยันหนีตัวให้ยากเลยเข้ามาทำหน้มมากูเพ่อใโดยดีเถอะอันกลของคุมาอี้นั้นนะ่ะรวมกูไม่ได้หรอกกูรู้อยู่สิงแบบแม่ไม่เข้ามาหากูกูแค่ทหารตะเอาตัวมาฆ่าแค่ในบัด น, นี้นี่ของเบ่งสองพับยังนี้ โกชุยซุนเก็ ม, เ, ม, เ, มเป็นกาลังชัามาจะหนีก็พอดี อ, องเต็งเกียร์คุยยานทีเกินทบหลังเข้ามาถ้าฟันทหารของโกชุยซุนเล่ล้มปลายมันมากทีเดียว ม, มาที่สุดโกชุยซุนเล่ก็ต้องขึงมาจวหนีหนีขึ้นเขาเตียวเปล่าก็พวกมาไล่จะจับเอาตัว ขณะที่เตียวเปล่าพวบมาบริกรรงไปเหยียบทีราพลามานะ่ะล้ม เ, เปียเป่านะีะยตกจากหลัง ม, ามา้าลงมามานะ่ะขำมํามากระแทกก้อนฟีราเข้าทุกศีรษะแตดีเตียเป่าไปลาคลากเขาอย่างนี้ทหารก็วิ่งกันไปช่วยพยุงตัวเตียเปล่ามาโคดฉ่วยสุดเลยนะน่ะโคดหนีรอดไปได้ผมบึ้ง ก็ฝังให้ทหารเอาตัวเตือเปล่ากลับไปรักษาเตัวที่เมืองเสฉวน่ายโจรชยตุเลยปายแล้วเสือทีกะเลยเปิดเตืนขวัญเสียขวันหายมิกลับมาได้ก็มาแย่งกระทุมไม้ตามมือความติดต้นไปรบพุม ก, กับผมไปมาทุกประการแหละ สุมาตีก็จริงว่าสุาาขันแตะมาทางนี้เราไม่เอาโทษหรอกด้วค้งเบ้นะ่มีคนรูามาองมัแม้แต่เราก็รู้นี่ตังมสุมาตยอมรับนะแต่สุมาตีไม่เคยยอมรับยอมรู้แล้วก็ยอมแพ้ไม่ใช่ยอมรับยอมรู้ว่าสุ ม, น, ม น, นี่มีแบเเียมีติปัญญาเหือ่ า, าแต่สุมีกด้วยปัญญาเว เอาละมอก่าคนดูนะีมีคนอุมายมากแม้แต่เราก็รู้ดีทันทันรีไปรักษาเนินไปเสียและเนินหยังนิวเขวาผ้าฐานของบิ่งละเข้าไปเย้าแย่ประการใดท่าทยออกรถอย่างไรแล้วยังได้ออกไปสู่หนีงเลยเราจะคิดคนอุมายอย่างนึงที่จะกำจัดของบิ่งให้ตายกช่วยคุณเลยก็คำ เดรากันสองน่มาอีก็จริงว่ากับเตียวครับและใต้เหลงหลกบัดนี้ของเบงปีเลยมินปูตาวและมินหยงจีงนั้นกจะไม่อยู่ค่ายเรือคงจะต้องขไปเรยบองผู้อ่อนอยู่ในือท่านจงคุงมันมือมทางน้อยอ้อมไปเข้าเอืงข่ายของบงไปเข้าาเราจะคุมันยไปข้างหน้าีข้ามาเป็นสอง นั่นทิงเอาข่ายขนเบ้งให้ดัดถ้าได้สมคนีแล้วคือตเปีข่ายขนเบ้งได้และจะกลัวอะไรแต่ขนเบ่งจต้องคิดกำจัดเจ้ดพายหลังก็จะงง่ายหรอกเตี้ยรับไตหลิงวันแผนการของสุมาอีรัตน์นี้ก็ยกผหานรับทานไปที่เดียว ไต่ใค ช, ชนะแกอ่กูชุวยซุ่มเละแล้วก็เปือกเปล่าเนี่ยบาดเก็บกลับไปแล้วเนี่ยเยก็ว่าแต่ในครับในกองทั้งตัวว่าเรามาตีได้ทั้งสองเนี่ยมีรายซมาเนก็จะ ต, ต้องคิดว่าเราเนี่ยจะ ต, ต้องเข้าไปอยู่ในเมืองอืมดูอ่านทำกันเลยคุณคนม่บก เวลาทิมารีเนี่ยแสําคัญว่าเราไม่ต้องเข้าไปอยู่ใเมนงเวลาข้าวันเนี่ยแต่ต้อแต่งทาหารรอบรักทางมาต้นท่ายเราเป็นมั่นคง น, นี่โคเบนเตระมาณได้อย่นินนี้แล้วก็สร้างให้แต่งเตียนเชือกเพลเิงได้ขนมากเตียนทาหารให้ซึ้งอยู่ในป่าของข้างทางคอยส ก, กัดพัฟติมาที่จะยกมา